สัจจบารมีมี3ระดับการไม่ยอมสละสัจจะที่ตนตั้งไว้ว่าเมื่อผู้รับวัตถุทานมีอยู่เราจะให้ทานโดยไม่เลือกชั้นวันนะด้วยการกล่าวคำเท็จแม้ด้วยเหตุแห่งวัตถุมีข้าวน้ำเป็นต้นของตนที่มีอยู่อันนั้นเป็นสัจจบทบารมี การไม่ยอมละสัจจะที่ตนตั้งไว้เมื่อมีผู้มาขออวัยวะน้อยใหญ่มีดวงตาเป็นต้นของตนแล้วบริจาคด้วยความปีติสมนัตชื่อว่าสัจจะอุป ป, ปารมีในชาติที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าศิวีราชเนะี่ยควักดวงตาให้เป็นฐานอันนี้เป็นสัจจะอุปปารามีนะและในขณะเดียวกันที่เคยเล่าไว้แล้วว่ามีพราหม คนหนึ่งเป็นยาจบตาบอดมาขอตาตอนนั้นก่อนหน้านั้นท่านให้ทานข้างนอกแล้วท่านไม่ชื่นใจวันนี้ก็เลยมีความคิดว่าเออขอให้มีใครมาขออวัยวะเราเถอะถ้ามาขออวัยวะแล้วเราจะให้พอท่านออกไปข้างนอกก็มีคนตาบอดเนี่ยมาขอขอดวงตาท่านพอออกมาขอดวงตาปุ๊บท่านได้ฟัง เป็นไงพูดทมตามอย่างี่ขอดีใจหรือไม่ดีใจเพราะได้ยินงั้นโอ้โหดีใจเนี่ยดีใจเพราะกลับมาบอกว่าเอออย่าพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวอุปสรรคจะเยอะได้จะมีแรงขัดขวางเยอะเข้ามาในวังพอกลุ่มประโยุรญาติทราบข่าวมาประชุมกันเต็มท้องพระโรงเลยร้องไห้ขอเบ้ิจาคอย่างอื่นอย่าบรอจากตาได้ไหมท่านมีความรู้สึกว่า ท่านจะเสียไมส่สาจับท่านไม่เสียท่านบอกว่าถ้าเราไม่ให้ก็เป็นการโกโหกแล้วสาจับแล้วเราจะบริบูรณ์ได้ยังไงความบาดถนา้เราจะสาเร็จผลได้ยังไงไปญาติพากันสลบสลายท่านก็ไม่ยอมจนในจนหมอศิวะกาศเนี่ยให้หมอศิวะกาศเอายามาใส่ตาจนตากริ้งได้ตากรอกกริ้งได้เนี่ยหมอก็บอกว่า ถ้าเปลี่ยนใจเนี่ยสามารถจะรักษาให้ตายดีอย่างเดิมได้ท่านบอกวิ่งอย่าว่าจะเปลี่ยนใจเลยขอยรีบทํำเร็วหยอดครั้งที่สองจนยะจนตาหลุดออกมาข้างนอกแต่ยังไม่สามารถตัดได้หยอดครั้งที่สมตาออกมาห้อยอย่างเงี้ยบอกตอนนี้ยังแก้ไขได้นะถ้าจะเปลี่ยนใจท่านบอกไม่เปลี่ยนตัดตาออกแล้วก็หยิบตัวตายืนนะเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยเขาเรียกศาสตร์ จ, จะอุ ป, ปบารามี ไม่ยอมถอนความตั้งใจเออการไม่ยอมสละสัจจะที่ตนตั้งไว้เมื่อมีผู้มาขอชีวิตเป็นทานเราจะให้ชีวิตเป็นทานเพื่อเป็นธรรมะบ่มโพธิสมภารเนี่ยอันนี้เป็นสัจจะป ร, ะ ม, ประมัตถบารมีโอโหอันนี้หนักเลยถ้าใครมาขอชีวิตท่านต้องให้ไหมให้เออเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเป็นสัจจะประมัตถะ บารมีนี่เราก็ให้สังเกตในลักษณะของบารมีเป็นอย่างนี้นะสัจจบารมีนั้นจึงมีลักษณะว่ามีการไม่พูดผิดเนี่ยเป็นลักษณะแล้วก็มีการประกาศความจริงเป็นกิจด้วยคือหน้าที่ของสัจจบารมีแล้วพูดแล้วต้องทำตามที่พูดสัจจที่ตั้งไว้อย่างไรต้องให้เป็นไปอย่างนั้น แล้วก็มีความชื่นใจเป็นปัจจุบันฐานเป็นผลปรากฏด้วยเออสัจจะบารมีมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีความสงบสงเหงียเนะมีความสระจ่ น, นั่นเองมีความสงบสงบเงียมเป็นเหตุใกล้ขันติก็ไดโสระจ่ก็ได้ความสงบนี่เป็นเหตุใกล้เลย <c oughs> เป็นเหตุใกล้แห่ง แห่งสัจธรรมีทีนี้ข้อปฏิบัติของสัจจธรรมีพระโพธิสัตว์เนี่ยที่บาเพ็ญสัจธรรมีย่อมเป็นพู่มมั่นคงในสัจวาจามั่นคงในคําพูดที่กล่าวออกไปมีปกติคิดก่อนพูดแล้วก็มีปกติคิดก่อนทํามีสัจจะต่อตอนเองและมีสัจจะต่อผู้อื่นจะพูดอะไรจะทําอะไรต้องคิดก่อนไม่พูดพล่อยๆแล้วก็ไม่ทำพล่อยๆใช่ไหม ต้องคิดก่อนคำนวณเหตุคำนวณผลอรต่างจึงจึงพูดคำนวณเบ็ดเสร็จแล้วจึงทําต่างๆออกไปนี่เป็นต้นมีสัจจะต่อตนเองด้วยได้เช่นบอกว่าตนเองจะให้ทานทุกวันก็โหรักษาสัจจนะนั้นทุกวันตนเองจะรักษาศีลเจริญศีลทุกวันก็รักษาสัจจนะนั้นตนเองจะบ่มได้ขมมะออกจากกามให้ได้ก็รักษาสัจจนะนั้เออตนเองจะ บำเพ็ญปัญญาบรารมีก็ต้องแสวงหาปัญญาทุกวันถือเหมือนภาคการถือการบินาบาตเป็นวัด <c oughs> คิดว่าจะเองจะต้องทําให้ได้นะตัวเองแล้วทําพูดแล้วคิดแล้วเออดิลั่นวาจาไปแล้วก็จะทําทันนั้นตัวเองจะบําเพ็ญวิ ร, ยริยะบารมีโอ้โหฝึกบากบัน่นก้าวไปใจสู้ตลอดตัวเองจะบําเพ็ญขันติบรารมีโอ้โหไม่เท้อนะ ไม่ทอ้อมีความอดทนมีความอดกลั้นปรมาณนั้นเด้อตอนเองจะบําเพ็ญเมตตาบา ร, รมีก็มีจิตใ จ, ใจแข้มชื่นไปด้วยความรักปราถนาดีตนเองจะบําเพ็ญอุเบกขาบา ร, รมีสัจจะก็จะรักษาที่ตนเองตั้งปณิธานไว้ว่าจะบําเพ็ญบา ร, รมีก็จะต้องบําเพ็ญตามนั้นจะบําเพ็ญความดีจะทําความดีโอ้โหเป็นคนมีสัจจะมีความจริงใจเป็นแบบพูดจริงทําจริงแล้วก็จริงใจ ใช่ไพจริงทำจริงและจริงใจเนี่ยเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดาเนินตามสัจจะตามปณิฐานนั้นโดยไม่ลดละเลยไม่ยอมลดละเลยยอมสละแม้ร่างกายสละแม้ชีวิตสัตว์ทั้งหลายหวงที่สัตว์ทั้งหลายหวงเห็นเพราะพิจารณาเห็นว่าเว้นสัจจะเสียนแล้วเนี่ย เออบารมีทั้งหลายมีฐานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มา้าปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาและเบขาบารมีไม่สามารถบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้เลยจริงจริงบาคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสัจจะเสร็แล้วนี่จบไหมเนี่ยไม่สามารถจะประสบความสาเร็จได้ ส, สัจจะเพิ่งบอกว่าเออฉันจะต้องศึกให้ได้ถ้าไม่ศึกฉันไม่ยอมอันนี้เป็นสัจจะเรามีไหม นีสัจจะเขามาได้ตั้งไวไ้ในทางไม่ดีอย่างนี้ไม่เรียกว่าสัจจะอไม่ได้พูดแล้วต้องทำเไม่ยสัจจะไม่เป็นไปแต่ทางไม่ดีเราจะต้องไปฆ่าคนนั้นได้เป็นสัจจะไหมเห็นไหมก็ต้องตอบไม่ดีนะทั้งนั้นไม่ผ่านนะสัจจะก็ตั้งไว้ในส่วนของที่จะบาเพา็ญบารมีเออการศึกมันมันเป็นบรารมีข้อไหนอ่ะ บทล่าสุดนี่เป็นวลมีข้อไหนก็ <c oughs> มีออกไงเ้าเรียกยคลายความเพียรเวียนไปสู่ความเป็นคนมากมากสับเนี่ยสับของการสึกเนี่ยคลายความเพียรเวียนไปสู่ความเป็นคนมากมากที่จริงคําว่าบางทีบางศัพท์เขาว่าแรงนะคลายความเพียรเวียนไปสู่ความเป็นคนเลวโอ้หนัก <c oughs> หนักเลยใช้คำนี้ไม่ดี ก็คือต่ำเลยคือภาวะเพศที่ต่ำพอจะมองเห็นนี่ว่าเอ๊บางคนเนี่ยเคยตั้งใจไว้ไหมว่าเราจะให้ทานทุกวันเคยตั้งใจไหมว่าเราจะเอ๊ทีนี้เราจะพิจารณาก่อนจึงให้ทานเป็นวิจัยยทานนะเคยตั้งสรัทธาไว้ไหมว่าเราจะให้ทานด้วยศรัทธาเคยตั้งสรัทธาไว้ไหมว่าเราจะให้ทานด้วยความนอกน้อง ให้ตั้งสาจาัจจะไหมเราจะให้ทานที่ถูกกาลถูกเวลาถูกบุคคลหรือให้ทานที่สละขาดให้ทานที่ไม่กระทบตัและบุคคลอื่นตั้งสาจาัจจะว่าเราเนี่ยจะพิจารณาอย่างรอบคอบเราจะไม่ให้ทานด้วยลำเอียงเพราะรักไม่ไม่ให้ทานโดยลำเอียงเพราะโกรธให้ทานโดยลำเอียงเพราะหลงให้ทานโดยลำเอียงเพราะกลัว จะไม่ให้ทานตามประเพณีจะไม่ทานหวังสกุลติโลกสวรรค์จะไม่ทานเพื่อให้ดีใจเป็นขาวๆแต่จะให้ทานด้วยการวิจัยแยกแยะเป็นจิตตะลังการะทานเออเป็นการประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตไปสู่ศีลสู่สมาธิสู่ปัญญาเออถ้าคิ ด, ค, ดคิดอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหสัจจะบา ร, รมีแข็งแรงเลยและตั้งสัจจะในสิ่งที่ดีๆไว้งนั้นบุคคลที่ปรารถนาโพธิญาณ โพธิยานก็เป็นชื่อปัญญาในมรรคทั้ง4นี่แหละถ้าไม่มีสัจจะบา ร, รมีไม่สามารถบําเพ็ญให้บริบูรณ์ได้เลยนะโดยเฉพาะผู้ปรารถนาโพธิยานใ น, นสูงสุดอย่างเป็นพระพุทธเจา้าเว้นสัจจะบา ร, รมีแล้วความปรารถนาเขาไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาโพธิยานควรบําเพ็ญสัจจะบา ร, รมีให้บริบูรณ์นะทั้งสมระดับทั้งระดับต้นระดับกลางระดับสูงสุด เมื่อมันเป็นได้แล้วจะประสบความสําเร็จในสัจจะบา ร, รมีก็มีในในในชาดอกก็ในวิทูลบัณฑิตนี่ชัดเลยนะถ้าไปดูในวิทูลและบัณฑิตนี่เป็นสัจจานะที่บอกว่าพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าเป็นดินที่ไปเล่นพนันแพ้แพ้ยักษ์ที่ปลอมตัวมาแล้วต่อมาก็จะกลับจะกลับสัจจากับคําพูด นี่เจอระเบรียดหรไม่ได้แล้วก็ยักให้พระานดินให้ถามบอกว่าวิธูระิบียดเนี่ยเป็นสายของท่านหรือว่าเป็นลูกน้องท่านก็บอกท่านท่านเป็นลูกน้องเป็นกี่ข่าโอ้โหพระานดินไม่พอใจท่านก็รักษาสัจจาของท่านท่านกใ็ให้ยักนี่จับไปแม้แม้เขาจะเอาไปฆ่าท่านก็ไม่กลัว ไม่หวาดหวัน่นเพราะท่านมีสัจจะบารมีด้คนมีสัจจะเป็นคนเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตคนมีสัจจะโบราณจริงๆกนนะสัจจะอย่างเดียวรักษาตัวเองได้ให้สเกตดูบทพระปริตทั้งหลายเนี่ยตั้งสัจจะหมดเลยนะอ่าเราดูในพระปริทอยู่ขุครุงแล้วก็พระปริทอะไรนะวัตตาป ร, ริทใช่ไหมในวัตตาป ร, ริต จะดูนะีดนะูในวัตตาปริสในวัตตาปริสนี่ก็เป็นพูดถึงในเรื่องของสัจจารมีไม่ใช่โมระปริสแต่วัตตาปริสอัตติโรเกศีละคุณโอสัจจังโสเจยานุธยาเตนะสัจเจนะกามิสัจจกรียมนุตรัง อาวชิตระวาธรรมมาปรังสเรตวาปวเพเกนเนจิเนสัจพระรวเสนสัจเกียมากาสังสันติปค้าปัตนาสันติปาทาวัจนามาตาปิตาเจเน ข, ขัณฑาชาทเวธาปิกรมะเนสหสัสเจเ ก, กเตเ ม, มหังมหาปัจฉริโศสิกิวชเชสิโระสักลีสานิกอุทะกังปตวายทาสสกิสัจเจนามสมุนติเอสาเมสัจพระปรมิติเ น, นสัจพระปรมิคุณคือศีลคุณคือสัจจ์ความสัตจ์นี่นะ คุณคือความบริสุทธิ์และความเอ็นดูอยู่ในโลกด้วยสัจจานั้นเราได้ทําสัจจิกิริยายิ่งใหญ่เราระลึกถึงอนุภาพของพระธรรมระลึกถึงอนุภาพของพระเจ้าทั้งหลายในการก่อนแล้วอาศัยอนุภาพของสัจจะขอทําสัจจกิริยาบอกว่าปีกของข้าพเจ้ามีอยู่แต่บินไม่ได้ตอนนั้นน่ยตอนนั้นเป็นนกคุ้มพระโพธิสัตว์เป็นนกเท้าของข้าพเจ้ามีอยู่แต่เดินไม่ได้แม่ มาดาบิดาของข้าพเจ้าก็บินหนีไปแล้วไฟเอ๋อเจ้าจึงกลับไปเถอะเอาเลยสิเนี่ยตอนนั้นท่านไฟไหมมาไหมมาจะไหมเพราะบริษัทนี้เป็นลูกน้อยแดงๆอยู่เลยเป็นนกนะแม่แม่พ่อบินหนีได้ทำไงท่านกำ ล, ลัเลือกถึงพระรันาตนตรัยเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของศีลคุณของสัจจะคุณของบริสุทธิ์ที่บำเพ็ญมาในการก่อนทั้งหมด อาศัยบารมีด้วยคุณความดีทั้งหลายมันเป็นอารักขาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันแล้วเออตรงนี้สําคัญมากนะเรื่องสัจจะตรงนี้ยสําคัญมากเลยเออมันมีเรื่องเรื่องเล่าไว้รู้สึกว่ามีพระรูปหนึ่งท่านขึ้นไปบนหอระครังสูงไอระครังลูกใหญ่มากสูงท่านขึ้นขึ้นไปไ ป, ไ ป, ไ ป, ปยืนอยู่บนหอระครังอ่ะแล้วท่านล่วงลงมา พอร่วงมาเนี่ยท่านก็ระลึกถึงธรรมะทิชชู่คารเปรตนี่ก็คือร ะ, ะลึกถึงคุณของพระุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยสัจจะด้วยความจริงเหล่านั้ น, นยอ้างสัจจะบา ร, รมีของนี่กําบวนการทั้งอ้างสัจจะบา ร, รมีนียเนี่ยท่านบอกปีกของท่านท่านมีแต่บินไม่ได้ขามีแต่เดินไม่ได้เขาล่วงลงมาแบบเผยหรือว่าตั้งใจเผยพอร่วงมาท่านก็ตั้งใจแต่ว่าตั้งใจเบีเสร็จปุ๊บ พอเราเลิกถึงคุณอนุภาพของคนของพุทธเจ้าพระธรรมสง่์เนี่ยเออมันมีเหล็กยื่นออกมาฟุดจากระครังเน่ะให้ท่านเกาะได้พอดีเลยออกมาได้ยัในระครังตันๆนั้นเน่ยฟุดออกมาท่านก็เกาะฟุดอยู่แล้วก็ต่อมาก็มีคนเอาอะไรช่วยท่านลงมาได้เนี่ยอนุภาพอนุภาพของพระพระรัตนตรยัยยิ่งใหญ่ นี่เหมือนกันว่าพระโิษัทหรือพวกเราเนี่ยด้วยความดีทั้งหลายที่ทำไว้เช่นความกระตัญยูเช่นการให้ทานเสมอเช่นการรักษาศีลเป็นนิดเช่นคุณความดีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้อ้างคุณความดีเกี่ยวกับสิ่งที่ทำและคุณของพ ร, ระพุทธเจ้าพระธรรมผสมใชม่อ่านี่เป็นสัจจะได้สัจจะความจริงเนี่ยอย่างเช่นว่าอะไรเนี่ยในพอท่านอ้างนี้ปุ๊บเนี่ยเท้า มา ด, ดาบิดาหนีไปแล้วเนี่ยไฟเ อ, อ๋ยจงกลับไปเนี่ยเมื่อเราตั้งสัจจกิริยาแล้วเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงอยู่น้ได้เว้นไปแล้วสิบสิบหกกลีดก็คือเหมือนน้าที่ตกไฟหยุดเลยไฟถอยหนีไปเลยแล้วบริเวณนั้นน่ตั้งกลับหนึ่งเนี่ยไฟก็ไม่เคยไหมอ้อยู่ไม่สามารถจะจุดไฟตรงนั้นได้ถึงนี่ด้วยสัจจะบา ร, รมีของพระบริษัท์จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เนีเออในบท ในบทพาหุงพุทธชัยเอียมงคลคนาถาเนี่พยพญามาเนลมิตรแขนตั้งหนึ่งพถืออาวุธครบมือขี่ช้างคลีเมกขลางพร้อมด้วยเสนามา ن โหร้องกล้องกึง ก, กเข้ามาผจญพระโพะิสัตว์พระจอมุณีทรงชนะด้วยธรรมมีวิมีฐานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยเอียมงคลจงยังมีแก่ท่านใช่ไหมเวลาเสดกันเนี่ย เอออ้างบารมีพระเจ้าอ้างตอนนั้นเนี่ยเทพเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งหลายหนีหมดแล้วพยามารยกกองทัพมาแล้วก็มาจะจัดการพระพุทธเจ้พาพระเจ้าทําไงตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระุทธเจ้าพระเจ้าก็อ้างอะไรอ้างทานบารมีศีลบารมีเนคขมารปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเบคะบารมีนี่อ้างสัจจะเนี่ยเฮ้ยเสนาไดา้ เพราะไม่มีพยานอะไรเลยใช่ไหมก็เอาบรารมีที่ตัวเองทํามาคุณความดีที่ทํามาบุญกุศลที่ทํามาทั้งหมดนี่แหละอ้างเอาทานศีลในกรมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอีกาบรารมีเป็นหลักแก้วเป็นเกาะแก้วคุ้มครองป้องกันที่สุจริงๆชนะพญามาร น, นี่ด้วยสัจจะด้วยความจริงเราอ้างอย่างเงี้ยขอบรารมีพระเจ้าที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเหล่านี้ขอใช้มง ค, คลจงมีแก่ท่านจงมีแก่ท่านจงมีแก่ท่านเวลาเราไปสวดมนต์บทเนี้ย ท่นยังไม่ดตัดสรนอย่างเลยก่อนใช่ใก็คือว่านึกถึงความดีแล้วเกิดความมั่นใจไม่ให้ ม, มารข้างนอกและก็มารข้างในมารบกวนใจมารข้างนอกก็ทําร้ายไม่ได้แม้มารข้างในก็ขวางขวางการตัดสรูใของรบริษัทไม่ได้เขามาบดบุตรไม่ไดเออ้เวลาเราทําความดีใดๆ ไ, ไว้เราต้องเก็บความต้องเก็บความจําไว้ไหมต้องจําไว้ไหมนั้นต้องจําไว้ต้องทําทุกวันไหม นันทุกครั้งที่ทำาทำทเก็บเกี่ยวนี่ไว้จะได้เอามาเป็นสัจจะบารมีใช่ไหมอ้างสัจจะเหล่านี้ด้วยสัจจะนี้ด้วยสัจจะนั้นขอชัยมงคลหรืออาละวากะยักผู้ดุร้ายหยากช้าเคี่ยมโหดเข้ามารุกราน ล, ลาวีตลอดคืนยิ่งกว่าพญามารนอีกพระจอมมณีกะชนะด้วยพระขันติด้วยการฝึกฝนตนเองดีแล้ว ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยงมงคลจังมีเกียรติธดูที่พุทธญา่เราต้องใช้อะไรใช้บา ร, รมีธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันทุกครั้งเวลาเกิดพยันอันตรายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะฉะนั้นการที่เรามีสัจจะความจริงที่ทํามาทั้งหลายเหล่านี้เรียกมาใช้ได้เรียกมาเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันก็เพราะเรามีบา ร, รมีก้อไหนอย่างพวกเราเรียกเป็นคนมีบา ร, รมีหรือไม่มี ม, มีบารมีข้อไหนข้อไหนวันนี้ได้มาได้ทาได้เจริญทานบารมียังเจริญแล้วศีลบารมีเจริญนย่ยังพอได้เจริญแล้วเนคข ม, ม, ม้าบารมีเนคขม้าแบบเนคข ม, ม้าภายนอกหรือภายใน ภายในคือการออกจากการใจที่น้อมออกจากการไม่น้อมเข้าไปในกรารวิตกพยาบาทวิตกปีสาวิตกตัางหลายลเรื่ี้ปัญญาบรารมีโอ้โหสอบถามเล่าเรียนคิดพิจารณาเนี่ยฟังข้อมูลนี่เป็นปัญญาบรารมีนะเพิ่มปัญญาบรารมีนะวิ ร, ยริยะบารมีถูกตื่นขันตีละ่ะ ทนต่อความกโกรธทนต่อความตรากตรำนทนต่อความเจ็บป่วยนทนต่อกิเลสเห็นทน <c oughs> <c oughs> ทนต่อความกิกเลสลบลางทำวะเนียมันอะตอนนี้ก็ขึ้นสัจจะมีจวนองคุลีมานแสนดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่ตามพระพุทธองค์ไปจนถึงสามยอดพระจอมมณีก็บรันรดานลฤทธิ์ด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้น หรือนางจินจะมานาวิกาเนี่ยใช้ห่อผ้าผูกไว้ที่ท้องแท่งเป็นหญิงมีคันเก่าใส่ร้ายพระเจ้าพระเจ้าก็ชนะด้วยด้วยความสงบนี่ยก็คันติพวกนี้เป็นตัวหนึ่งสัจการนิคอนกับพระเจ้าชนะด้วยปัญญาบา ร, รมีเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นสัจจาที่ทรงตั้งไว้นะพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ บำเพ็ญบา ร, รมีทุกประกาศทั้งทานศีลเนคข ม, มะปัญญาวิรยิยะคันติสัจจะทิฏฐานนเมตตาเวียขาบา ร, รมีเพื่อเกื้ อ, อกูลแกศประรสัวดทรงบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณสูงสุดด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอชัยมงคลยมีเกศทานได้ไหมเ่อกล่าวสัจจะบา ร, รมีเราไม่มีบา ร, รมีก็เลยไปอ้างพร <laughs> ะเจ้าแต่ว่าสัจจะบา ร, รมีจะเกิดขึ้นก็คือตนได้ทำบารมีอะไรขึ้นแล้วแต่ ในการก่อนการพูดคำสัตว์ในวันนี้กรณีจะเกิดขึ้นใช่ครับก็คือกรณีอย่างก็คือค อ, อย่างที่บอกว่าเมื่อเราตั้งสัจจะเนี่ยว่าจะรักษาเราก็รักษาจะทำจะจะเจริญบา ร, รมีแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอตั้งสัจจะไว้แล้วเราก็ทําตามที่ตั้งไว้ทําตามที่พูดไว้เหมือนเราบอกกันเอานั้น ฉันจะบำเพ็ญฉันให้สัจจะว่าหอฉันจะทําอย่างโน้นอย่าง น, องอางนี้ก็รักษาก็เป็นสัจจะเนี่ยถ้ารักษาแม้อวัยวะจะพังก็ไม่ยอมถอนนี่เป็นอุปบารลมีแม้ชีวิตก็จะไม่ยอมถอนความตั้งใจโอ้เป็นเป็นสัจจะอุปบารลมีเอาอย่างยกตัวยอย่างเช่นนะท่านบอกว่าวันนี้ท่านจะต้องให้ทานโอ้ยไวังเนี่ยเพระาะว่าที่สัทก็ถือทานไปแล้ว ถือถาดถืออาหารไปพยามาลบอกวันนี้ฉันไม่ให้ให้ทานหรอกฉันต้องขวางแล้วพยามาลท่านเนี่เรามิตเป็นเอ้อหน้าผาปิดกันไว้เลยแล้วก็ไฟลุกเป็นไฟลุกไปเลยท่านบอกว่าใครก็ขวางถาดบารมีเราไม่ได้เราพูดแล้วต้องให้ต้องให้ตายเราก็ไม่ยอมโอ้เดินไปเลยปืดปืดปืดไปโอ้มีมีอะไรรองเท้ารองพระบาทเขาโวยสัตว์จนถึง ท่านเข้าไปให้ทานกันได้โอ้มันทุกใจมากไม่สามารถจะขวางกั้นคนคนนี้ได้สักทีเลยโอ้เครียดมากเลยนะแต่อย่างเราจะเจออะไรขวางางันวิ่งกลับเลยนี่ก็เลยไม่มีสัจจะบ้างใช่ไห ม, มตัง้งสัจจะไว้ไม่ทำโออย่างเราเสียสัจจะเยอะไหมวันวันหนึ่ง<ม>เสียเยอะไปเยอะโอ้ไอพูดไว้ไปทำเยอะหมดก็ยังมีเล่กเท อ, อีกหมากมายเลย แล้วต่อไปก็คืออธิษฐานนะบารมีต้องไปเร็วหน่อยเดี๋ยวจะไม่จบอธิษฐานนี่แปลว่าอะไรเนี่ยอธิษฐานเนี่ยแปลว่าอะไรตั้งใจนะฮะอธิษฐานก็คือความตั้งใจมันอธิษฐานนะบารมีนะ ในเรื่องของอธิษฐานเนบา ร, รมีเนี่ยต้องนึกต้องพิจารณาลักษณะของอธิษฐานให้ชัดก็คือว่ามีความตั้งมั่นในโพธิสมภา น, นีรเป็นลักษณะโอ้อธิษฐานนี่มีจุดหมายไงว่ามทนคำว่าอธิษฐานนี่คือจุดหมายชัดตั้งจุดหมายไว้อะไรในชีวิตของพวกเราเนี่ยเราตั้งจุดหมายไว้ยังไงอย่างตั้งจุดหมายว่าเรียนอายุยี่สิบเก้าปีต้องกลับมาบวชใหม่ตั้งไว้ยัง ไอ้ตังแล้ว <Yeah. S 1> ก็บอกขานไหมไม่เคยบอกยี่ิบเกหรือสามสิบนะที่พูดหนูพูดไว้ที่มันหนูพูดไว้ <100. S 1> นงี่เอาไปแล้วไปแล้วตกลงยังไงเนี่ยตอนนีวว้เปลี่ยนแล้ววยเปลี่ยนแล้วเว้ยงานเนี่ยถ้ากรณีนี้ก็เลยคนโลนีคลโลี นี่เอาแน่นอนไม่ได้เข้าใจไหมแต่ก่อนพูดนี่ได้ยินอยู่เลยยิงเคือเขาตั้งไว้เขามีจุดหมายก็อย่างกรณีอย่างพระบริษัท์เนี่ยท่าตั้งไว้เลยโพธิสมพานเป็นหลักมีการครอบงามสิ่งที่เป็นปฏิปักิของโพธิสมพานเป็นกิจคือกิเลสตัวไหนที่จะทำให้ไม่ไปไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางท่าน เข้าไปครอบไว้เข so we oh, ้าไปกดไว้ไ hmm. ม <idea? What? S 2> ่กิเลสตัวนั้นพวกผ่านนี้จะโอ้โหนี่ชัดเลยบางครั้งความโลภเป็นเหตุทําให้ตัวเองไม่ประสบความสําเร็จจัดการมันซะบางครั้งความโกรธที่จะทําให้ตัวเองไม่ประสบความสําเร็จก็จัดการความหลงความลังเลสงสัยความพุ่งสั้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นที่จะ3จะทําให้ตัวเองไม่ประสบความสําเร็จจัดการความเฉยชาความหัวโธท้อถอยนียความหลง ความเห็นผิดทั้งหลายเหล่านี้ที่จะทำให้ตนเองเนี่ยหลงเส้นทางจัดการเลยออกมาอาการปรากฏก็คือมีความไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เป็นปฏิปักษเอาเลยตั้งใจไว้เลยว่าเราต้องเจอปัญหาน่ในเส้นทางที่เราจัดเดินนี้แต่เราจับไม่หวั่นไหวอย่างแน่เะนั้นนนเจอปัญหามาทดสอบแล้วทดสอบอีกเห็นชัดเลยเนียไม่เคยหวั่นไหวเลย อะไรเป็นเหตุการ์ต้องสัมมาสัมโพธิยาณเท่านั้นเนี่ยได้สัมมาสัมพธิยานแล้วเท่านั้นจุดหมายคือสัมมาสัมปทิยาณเท่านั้นไม่มีจุดหมายอื่นใครจะให้อย่างอื่นมาแลกไม่เอาโอ้ยตั้งสูงสุดไปแล้วเอา้าเออเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเอาไหมไม่เอาเป็นเท้าส ก, กะปกครองในเดาดึงเอาไหมไม่เอาอันนี้ไม่ใช่จุดหมาย เป็นเส้นทางเดินไปได้แต่ให้หยุดอยู่ไมเ่เอาเป็นพรหมสมบัติเป็นพระพรหมเอาไมไม่เอามัทสาวกวรมียานเป็นอัคคลาสาวกไม่เอาเป็นพระบจเจกพระพุทธเจ้าไม่เอาต้องการอะไรตั้งไว้สัมมาสัมโพธียาคือเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีจุดหมายชัดเลยเหตุใกล้ตัต้นในใจตลอดปกลก้าในใจตลอด นี่ก็หลักอยู่อย่างไม่เลื่อนลอยอยู่อย่างมีอธิษฐานในบา ร, รมีไม่ใช่อธิษฐานแล้วร้องขอรอผลดอนบรรดาลใช่ไหมเป็นการอธิษฐานแล้วทําอธิษฐานแล้วมีจุดหมายชัดเพราะจะมองเห็นไหมว่าอธิษฐานของพระเจ้ากับอธิษฐานของเราอะไรอยา่า <c> ง <oughs> อธิษฐานของเรานี่อ่อนแอมากเลยโลเลมากเลยอ่อนแอด้วยเอาเป็นโลเป็นภายไม่ได้เลยแล้วก็ผิดหวังไว้แบบนี้ ถ้าลักษณะอย่างนี้ยอันนี้ชัดเลยให้พวกเราทั้งหลายผูกไว้ในใจไว้ว่าเราจะต้องตั้งอธิษฐานนะทำอธิษฐานบา ร, รมีนี่ให้ชัดเลยมีความตั้งมั่นตั้งใจมั่เพระโพธิษัทนี่ก็ลําเพ็นอธิษฐานบา ร, รมีนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าอธิษฐานบา ร, รมีก็สามระดับใช่ไหมสามระดับยังไงก็คือ การไม่ละการที่จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยแม้ถึงคราวที่ทรัพย์สมบัติทั้งปวงตนเองต้องพินาศไปด้วยภัยต่างๆเช่นจระไพรอคีภพรวาตภัพรอุทกพรภัยจากน้ำจากไฟจากลมภัยจากโจรภัยจากวราชา้าหรือจิตก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและก็ไม่เสียดายทรัพย์ ในคราวที่บริจาคมหาทานย่อมบริสุทธิ์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่เศร้าหมองเลยนี่เป็นอธิษฐานนะบารมีเนี่ยโอ้ตั้งมันมากอเออเคยให้อะไรแล้วรู้สึกใจหวั่นไหวไหมเสียดายเออเนี่ยต้อ ง, ต, องต้องฝึกเถอะฝึกอ้าวไม่เป็นไรถ้าครั้งนี้เสียดายให้ใหม่ แปลว่าทาง น, นั้นยังไม่สำเร็จผลมันได้แต่ให้ไปเท่านั้นแต่สภาพจิตใจยังไม่ได้นะมันยังงอแงอยู่ทำลายมันเสียแล้วฝึกให้เข้มแข็งฝึกให้เป็นคนมีจิตที่เข้มแข็งเคยไหมให้ให้อะไรไปแล้วกินมีเสียรดดให้อะไรหนังสือหนังสืออะไรเราทั้งที่หนังสือมีเยอะแยะเนี่ยนละูกแ มันคิดไม่รอบคอบมันไปแอบเสียดายไว้ใช่หมมีหนังสือ เ, อเล่มนงึงของวงอานไม่จบเลยเสียดายลนั้นหรอไม่ใชวันนีออ้นานแล้วใช่ไครับมันเกิดความเสียดายอนี้ขนาดเป็นอธิฐานใะนบา ร, รมีต้นๆยังหวั่นไหวสองการตั้งจิตมั่น ตั้งจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวแม้ถึงคราวที่อวัยวะน้อยใหญ่ของตนต้องพินาศไปด้วยโรคภัยต่างๆโอ้โหหรือถูกผู้อื่นเบียดเบียนโอ้ตอนเด็กๆเนี่ยอาจาไปจับ จะจับไอ้ที่ไอ้ที่รองสีอะฟุกมันบีอีกคนนึงหมุนอยู่ด้านนั้นแต่จานจับอีกด้านหนึ่งจับไม่อยู่ฟึโอ้โหจานกรอดจึงนิ้นนวโอ้หบนิ้วแบเลยองหาเดกเ ด, ด, ด, ด, ด็โอ้รักษาเทหรเลยยืมพระจอนิร์หนอยื้ไหนือ น, น, นาอ่ะเหรอโอยยภาพไม่ดีเลยฮะยากสภาพไม่ค่อยจะดีเลยอืมเนี่ยมันตั้งแต่เป็นเด็กๆบบนเลยเหร อ, น, อนกระดูกบนมันเข้าไปหนีบเนี่ยไปโทษคนอืออ่นแล้วตอนนี้เท่าไหร่ฮะ้ตอนนี้เท่าไหร่เด็กๆนี่เด็กเด็ ก, ดกรางวิง่งสนสนอยแล้วไหนีบเน โรงไอ้ที่ที่ฝัดข้าวที่สีข้าวมันเป็นสมัยโบราณจะมีเครื่องสีข้าวที่ใช้คนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุ น, มนข้าวใชที่มันมีฟันเฟืองอยู่แล้วไปจับฟันเฟืองมันหนีมา โ, โอ้อืมกความสนเราคิดว่าเราจะจับอยู่ไปจับไม่อยู่ <c oughs> เนี่ยยังไปทษคนอื่นย <c oughs> นี่ไม่ดีมีการตั้งจิตมั่นในบางทีเราต้องสูญเสียพินาศไปนะเกเส้นด่างหรือไม่การสละเสียดวงตาเสียวายวะทั้งหลายการตั้งจิตใจมั่นไม่หวั่นไหวถึงคราวที่ชีวิตของตนต้องพินาศไปการบริจาคชีวิตเพืเเนออะไรน ก็สามารถทําให้ความบริสุทธิ์ในใเกิดขึ้นมาได้นี่เป็นอธิษฐานนะป ร, ร, รมัศนบารมีเทนั้นอธิษฐานบารมีก็คือว่าความปร า, าปรถนาที่แน่วแน่ในการบําเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นต้นโดยใช้คุณธรรมเหล่านี้เองและเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณให้แก่กล้าโดยไม่มีโดยมีความดําริอย่างอุกฤษว่าถึงแม้ว่าเลือดเนื้อในสรีระจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที่ ถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมปวรญาณจากไม่ลุกขึ้นจากบันลังนี้อย่างเด็ดขาดเนี่ยอธิฐานเป็นี้เห็นชัดตอนที่จะได้บรรลุท่านบอกเลยเนี่ยเนี่ยนั่งอาสนา น, นี้อาสนะสุดท้ายแล้วเอาสัมมาสัมโพวรญาณเป็นจุดหมายถ้าไม่ได้สัมมาสัมพวรญาณจากไม่ลุกขึ้นเด็ดขาดพวกเราก็ฝึกหน่อยเราไป น, นั่งพี่นะอา้าว ไม่ครบหนึ่งชั่วโมงจะไม่ลุกจากบนหลังบ่อยไหมฝึกบ่อยใช่ไหมเอาจะนั่งกรรมฐ า, านนึ่งนี้แหละไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่ลุกนั่งมันอยู่แน่นละตั้งนาฬิกาไว้โอ้ทุกใจทรมารมีคนคนหนึ่งก็ไปหยุดทุกพอทุกปากปุ๊บจุดปุ๊บ ถ้าโทดดาูบนี้ไม่หมดดอกจะไม่ลกบขาดนั่งกรรมฐานเลยเอ้ลืมตามันได้ไปนิดเดียวเองโอ้หปวดหมดแล้วเนี่ทําไงดีนะไม่หมดทันทีอโทูบไวๆๆเป่าให้ใหมัไหม้ไวๆจะได้หมดได้ไหมแบบนี้ยขี่โก้โลโหไม่วีเแววจะหมดทันทีเลย จุดไปแล้วจุดไปอีกมันก็ยังเหลือนิดไปได้นิดๆันนี้อัน้นโอใจจะขาดอธิษฐานไม่แข็งเลยคนไม่สนใจเอาจุดหมายจุดที่จริงก็ตั้งจุดความสำเร็จเขาไม่ได้ตั้งอยู่ลเมื่อเลือดเลือดและเนื้อในสรีระจะเหงาแท่งหายไปจะเหลือแต่หนังเองเอ็นกระดูกกรทำ ถ้ไมได้ไปรู้สัมมาสัมปอริยาณจะไม่รู้โอ้โหอันนี้แข็งแรงนี่ยอมสละชีวิตเพื่อตรงนี้ก็คือว่ายอมสละชีวิตอันน้อยนิดของตนเพื่อให้คุณธรรมเกื้อทีฐานบารมีปรากฏต่อสายตาชาโลกได้นี่อันนี้คือมีพระทัยที่เด็ดเดี่ยวปรารถนาสัมมาสัมปอริยาณเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ความปรารถนาจะสำเร็จลงได้ถ้าหากขาดอธิษฐานบา ร, รมีแล้วเนี่ยความปรารถนาไม่สำเร็จเพราะอธิษฐานนี่มีความตั้งใจมั่นเวลาเจอปัญหาอุปสรรคแล้วเขไม่ไม่ถอนอธิษฐานไม่ถอนความตั้งใจตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจเข้าไว้เนาะใม่เรื่องตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่โดยมากก็คือชาวพุทธโดยทั่วไปเนี่ยแม้คำว่าอธิษฐานก็ผิดกัน บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำนะบัดนั้นก็บุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าทําให้แจ้งรอกุศลธรรมเข้าในทันทีพอตั้งนี้ก็เลยการมมันขอไปเลยใช่ไหมอธิษฐานกลยกรรมร้องขอร อ, อ, รอผลดลบรรดาลก็เลยกรรมเป็นยิ่งเป็นศาสนาอื่นๆด้วยแล้วก็รอดัวยแหละแล้วแต่พระผู้สร้างทั้งหลายจะดลบันดาลให้เออไปกันใหญ่เลยทียนี้ ก็กลายเป็นการอธิษฐานบรมีที่ไม่แข็งแรงไปอันนี้ก็ผิดพลาดไป น, นะฉะนั้นอธิษฐานจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นอธิษฐานแปลการว่าตั้งใจอย่างมุ่งมันถ้าไม่สาเร็จก็ไม่ถอนไม่ถอนความตั้งใจนั้น <c oughs> ก็ไว้ในถึงที่ดีมันคล้ายๆกับสัจจะสัจสจะที่พูดแล้วทําอธิษฐานนี่เป็นความมั่นคงมีจุดหมายชัด จุดหมายตั้งไว้ที่ไหนไอ้พวกเราที่ตั้งปรารถนาความหลุดพ้นปรารถนาพ้นทุกข์มั่นคงไหมตั้งมั่นไว้แรงไหมหรือเรื่อยๆเอื่อยๆ <c oughs> ไม่ได้เรื่อยๆเอื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่อธิฐานในบารมี <c oughs> อาจารย์บารมีนั้นต้องต้องมั่นคงแล้วก็แข็มแรเอยเดี๋ยววันนี้เรา เราพูดอธิษฐานบันมีแค่นี้วันเดียวเราจะสวดบวชเรจะสวงบว